คนที่จับกลุ่มดูอยู่ทุกขณะและหายใจไม่ทั่วท้องมานานผ่อนหายใจเฮือกออกมาได้พร้อมกันดารินนั้นยิ้มขันขันหันกลับมาประคองปีเจ้ายักษ์ใจแห่งลมช้างพยุงให้ยืนขึ้นไอ้นั่นบนอู้เห็นไหมานายหญิงก่อนจะไปมันยังเขกบาลหยินเอากลับคืนไป่ใช่อีกปุโทโ ถุกคอหัวเบาๆแค่นี้ร้องไปได้นั่นน่ะมันหมายความว่าเขายกโทษให้เธอแล้วหมดสิ้นเวรกรรมกันสักทีนี่แต่พบด้วยที่ไหนที่ไหนอย่าไปทะเล้นยิงเขาอีกนาคราวนี้ระแบนแต่ฉันไม่รับรู้ด้วยนะว่าแล้วหล่อนก็เอาแขนคล้องกอดคอกยินอย่างรักสนิทเดินเข้ามาหาพี่ๆและเพื่อนๆที่รอคอยอยู่แล้วขยินหมดกังวลเรื่องช้างอันตราย ความดีใจทําให้มันรวบเอวนายหญิงไว้ด้วยมือทั้งสองข้างยกสูงลอยขึ้นเหมือนยกเด็กๆด้วยพลังผิดคนแล้วนําเดินกลับมายังพวกเจ้านายทันทีหัวร่อรา <c oughs> นายหญิงของขยินพบหน้ากันครั้งแรกขยินก็ดีใจแทบชักอยู่แล้วยังไม่ทันจะได้คุยอะไรกันเลยนายหญิงก็มัวแต่ยุ่งกับช้างเกเรตัวนั้น นี่นายหญิงจะกลายเป็นนางพญาช้างไปซะแล้วอุ้ยขยินแทบไม่เชื่อสายตาเพราอุ้มนายหญิงมาถึงคณะพักขยินก็วางลงกับพื้นบัดนี้พี่ชายและเพื่อนกำลังมองจับมาที่หล่อนเป็นตาเดียวทุกคนสุดประหลาดใจและมีคำถามแต่ก็ติดอยู่แค่คอหอยพูดอะไรยังไม่ออกไปกลับไปที่ลานบ้านเตรียมตัวออกเดินทางกันเอคะ่ะ รอนเ อ, อยยิ้มยิ้มขึ้นกับทุกคนเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยดวงตาเป็นประกายแจมย่มใสสดชื่นผิดไปจากทุกครั้งนับตั้งแต่ทราบข่าวระพินเข้าปาจากไปเดี๋ยวเดี๋ยเ๋ยว๋วเด๋ยวจ้าแม่ชัยยันบวกมือขัดขึ้นนี่จะไม่มีการอธิบายอะไรกันหน่อยเหรอว่าอะไรมันเป็นอะไร พวกชันน่ะเห็นหนานอินวิ่งกลับไปรายงานแล้วก็ตามมาเห็นตลอดจนช่วยกันเยียวยาเจ้าช้างปาตัวเท่าตึกนั่นจนกระทั่งวินาทีนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองว่ามันอะไรกันนี่เธอไปเรียนวิธีกำราดช้างมาจากไหนทุกคนอย่าสงสัยอะไรเลยนี่นะ่ะมันเป็นเรื่องสารมันธรรมดาที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น จนทุกคนเห็นเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ความจริงมันก็มาจากพื้นฐานของอำนาจแห่งเมตตาธรรมนั่นเองฉันสังเกตเห็นว่าช้างตัวนี้น่ะมันพิการบาดเจ็บเดินขาขย ե กนานอินกำลังจะยิงก็เลยขอชีวิตไว้แล้วก็เสียงสัตว์อธิษฐานว่าถ้าหากเราจะเป็นมิตรต่อกันได้ก็ขอให้เขาจงเชื่องสงบฤทธิเดชลงเขาก็ยอมมอบลงให้ และฉันก็มองเห็นต้นเหตุแห่งความทรมานของเขาจึงให้นานอินไปตามเธอกับพี่ใหญ่พี่กลางมาก็เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เราช่วยให้เขาพ้นทุกทรมานไปได้แล้วใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่และสำหรับฉันนั้นมีความสุขที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสุขพณนธมิตอันดีเลิศในการออกติดตามระพินในเช้าวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเดี๋ยวนี้ฉันเต็มไปด้วยกาลังใจเปี่ยมล้น เลยไม่หวัดวันพ่นพึงต่อสิ่งใดอีกแล้วอนุชากับพริบตาปริกปริกพูดอะไรไม่ถูกช ย, ยันจุปากโครงหัวอยู่ไปมามองดูหล่อนอยสุดทึ่งแต่เชษฐาพูดยิ้มยิ้มว่าน้อยนี่มีอะไรพิเศษแปลกๆอยู่ในตัวเสมอแหละบางทีก็เป็นสิ่งลี้ลับที่พวกเราไม่เข้าใจเหมือนกันเอาล่ะ เธออย่าไปมัวสนใจการเช่าช้างตัวนั้นอีกเลยเราช่วยมันได้ก็นับว่าเป็นกุศลมหาศาลแล้วแล้วก็เป็นบุญบารมีที่น้อยได้ประกอบขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นลางดีของการเดินทางก็ถูกต้องไปไปไปเรากลับไปที่ขบวนลูกขาของเราเถอะตอนนี้มันได้เลิกเดินทางของนานอินแล้วจะได้ร่ำลาคุณนำพลเขาด้วยเขาก็ยังยืนรอคอยส่งเราอยู่ทั้งหมดพากันเดินมาเป็นขบวน เข้าสู่ใจกลางหมู่บ้านหนองน้ำแห้ตรงตำแหน่งลานเกลี้ยงโล่งหน้าบ้านพักของระพินซึ่งกองสัมภาระปวกลูกหาดและนายกำอําพลก็รอคอยอยู่ดารินก็ถามขึ้นว่ายังไงขยินคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันจะถามเธอมั่งแล้วนะว่าผูเข้ามาได้ยังไงเนี่ยขยินยังไม่ทันตอบเชษฐาก็บอกว่านี่น้อย จะว่าไปทุกสิ่งก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ทั้งนั้นเลยนะเธอลองทายสิว่าขยินเดินทางมาที่นี่แล้วมาถึงพอดีพอดีกับที่เรากำลังจะเตรียมออกเดินทางเนี่ยได้ยังไงนั้นอินน่ะมาถึงเมื่อคือนนี้ส่วนขยินมาถึงก่อนหน้าเราจะเดินทางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดารินบราริตลืมตากว้างหันขวับไปจ้องหน้าเจ้านักเลงโตหลุมช้างขยิน นี่แปลว่าเธอฝันไปใช่ไหมในฝันเห็นแง่ทายหรือเปล่าครับนายหญิงองคุรีมานแห่งหลุมช้างบอกเสียงเ้าเฮาไอแ ง, ง่ท า, ายนะ่ะเข้ามาอยู่ในฝันของขยินสามคืนติดต่อเลยข้อความที่มันบอกรุษสังขยินร้องกันหมดทั้งสามคืนมันไปบอกว่าให้ขยินเดินทางมาที่หนองน้ำแห้งด่วนมีเรื่องสำคัญที่สุดเกี่ยวกับนายรพิน บอกแค่นั้นมันก็หายวับไปทุกครั้งให้ยินจะทนอยู่ได้ยังไงก็แล่นออกมาจากลมช้างบุกบันมาที่นี่คนเดียวเดินทางมาหกวันก็นี่แล้วเมื่อคืนมาถึงที่ด่านที่ท้ายดงหลังไร่กล้วยนี่เองเลียนหนักก็เลยลงนอนก่อนพอไก่ขันก็หออปปก่อแหนบเข้ามาชิๆชชเจอไอ้ด้วนเขา้ากลางดงกล้วยน่นเองเลยวิ่งแทบตับสุด สวนทางปะหน้ากระเจ้านายพอดีงาายไแงซไซอีกแล้วเหรอที่ไปบอกขยินให้มาพบพวกเราดารินร้องตื่นเต้นสุดขีดใช่แปลกมากแปลกจริงๆนะเรื่องนี้เชษถาพึ้นพังขยินก็รู้จักพวกเราแล้วว่าเราพินไม่ได้อยู่ที่นี่และเรากําลังจะออกตามวันนี้แหละพอมันรู้เรื่องมันก็ตอกอกถาง ไม่มีปัญหาให้ต้องซักถามเสียเวลามันไปกับเราด้วยเหมือนหนานอินดารินตลึงตัวชาด้วยความปราโมดสุดขีดแง่ทายมอมราชวงศ์สาวมึนงงงุนใจขีดสุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนเป็นผลให้หลอนได้ทราบถึงการจากไปของรพินในครั้งนี้ ล้วนมาจากสิ่งอันเลื่อนลอยเหมือนฝันทั้งสิ้นเริ่มจากคืนสุดท้ายก่อนจะถึงวันเกิดเจ้ากระเรียงฉมงามผู้นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นในห้องนอนของหล่อนระหว่างเคลิ้มเคลิมพิจารณาแน่นอนไม่ได้ว่าตนเองหลับหรือตื่นกันแน่แต่ก็ตัดสินใจลงความเห็นไปละว่าฝันในฝัน แง้ายในรูปลักษ์ที่ยังเป็นนักเดินดุงพเนเจรไม่ใช่ในรูปลักษ์ของจักรราชแห่งมรกฏนครได้มาบอกข่าวร้ายนี้แกหล่อนได้ยินชัดเจนแม้กระทั่งน้ำเสียงที่แว่วอยู่ในโสดประสาทครั้นรุ่งเช้าด้วยความสังหรณหล่อนโทรศัพท์ทางไกลสอบถามจากนายอัมพลทันทีความจริงมันก็ปรากฏขึ้น ตรงตามเหตุการณ์ที่แง่ทรายมาบอกในฝันทุกอย่างในการเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางเมื่อคืนนี้เองแพนครูผู้เฒ่าหนานอินที่ทุกคนกําลังต้องการตัวที่สุดก็โผล่มาถึงสาเหตุของการมาก็อ้างว่าแง่ทรายนั่นแหละไปเข้าฝันสั่งให้เดินทางมาที่หนองน้ําแห้งเป็นความฝันที่จะต้องมีอิทธิพลและสร้างสังหรณ์อย่างรุนแรง แก่พรานเท่ามากที่สุดนี่ฉะนั้นจากการท่องเที่ยวแเนจรไปตามวิสัยของแกฉะนไหนจึงบ่ายหน้ามาที่หนองน้ำแห้งอย่างเร่งด่วนถึงป่านนี้และเช้าวันนี้ก็อีกเหมือนกันไม่คาดฝันว่าจะได้พบขยินอีกเลยเนื่องจากทิศทางเดินที่บ่ายหน้าไปนั้นไม่เชียดผ่านลมช้าง ทันแล้วไม่กี่นาทีก่อนหน่าเริกเดินทางขยินก็วิ่งพรวดพลาดเข้ามาพบกับทุกคนในคณะระหว่างเตรียมตัวเดินทางในเช้าวันนี้ยืนยันข้อความตรงกันอีกว่าแง่สายได้ไปเข้าฝันสั่งการเป็นคำสั่งย้ำเพียงสั้นๆว่าให้เดินทางมาที่หนองน้ำแห้งเช่นเดียวกันนันอินนั่นเองและโดยผลแห่งการเข้าฝันติดต่อกันถึงสามคืน ขยินก็อยู่ไม่ติดต้องแล่นมาทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาก่อนปรกากฏการเช่นนี้จะถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ยากอยู่มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยอานาจปาฏิหาริย์ลี้ลับอะไรสักอย่างของเจ้าอาดีตชาวดงโฉุมงามผูกครั้งหนึ่งเคยมาเป็นคนใช้คณะเดินป่าชุดเดียวกันนี้และบ้านปลาย ก็กลับคืนไปสู่อาณาจักรอันเป็นมาตุภูมิเดิมของตนในฐานะของจักรราชผู้สืบราชสมบัติของดินแดนเรินลับอันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์สากล น, นั้นดินแดนอาถันซึ่งคณะทุกคนไปได้ตัวชดประชากรและหนานอินกลับคืนมานั่นเองโดยแท้ที่จริงแล้วเขาผู้นั้น ผู้ซึ่งทุกคนรักและโดยเฉพาะสำหรับหล่อนแล้วก็มีความรู้สึกเปรียบไม่ผิดอะไรกับน้องชายคนหนึ่งถ้าหากยังมีชีวิตอยู่เขาก็คือสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชแห่งมรกรนครสวยราชสมบัติปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่ยังนครที่ไม่มีผู้ใดสำรวจพบได้เคียงคู่กัมยานีอันเป็นราชินีคู่พระไทย ชีวิตของชายคนนั้นจบเกมแห่งการต่อสู้ผจญภัยมาแต่น้อยคุ้มใหญ่และสู่สารติสุขสมหวังตามปรารถนาและบุญญาธิการบารมีที่สั่งสมไว้แล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับมายุ่งกับโลกภายนอกได้อีกการจัด ก, กันของคณ ะ, ะเดินทางกับแง่ทรายริจ ก, ก ร, ราชในคราวนั้นเป็นการจากการชนิดชั่วนิรันดร ไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาพบเห็นกันได้อีกแล้วประหนึ่งอยู่กันคนละพกคงเหลือทิ้งไว้แต่ความทรงจำเก่าๆของคณะเดินทางทั้งหมดให้หวนคิดไปถึงอดีตชนิดที่เล่าความจริงให้ใครฟังไม่ได้เท่านั้นและทั้งแง่ายหรือจ ก, กราชก็ไม่เคยได้กล่อมกายเข้ามาในฝันคณะหลับของคณะผู้เคยช่วยเหลือเขา ร่วมผจญภัยกับเขาอีกเลยนับแต่วันที่จำลาจากกันแล้วมาครั้งนี้ประหลาดนะเมื่อภาวะจำเป็นขีดสุดมาถึงรัพินไทยวันอยู่ในห่วงที่พิจารณาได้ว่ากำลังมีภัยโดยการออกป่าฝ่าดงอย่างไม่รู้อนาคตอีกครั้งเจ้าหนุ่มโฉม ง, งามผู้นั้นก็เข้ามาอยู่ในความฝัน เตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆให้ทราบเหมือนจะเป็นการบอกความจริงและกระตุ้นเตือนให้ออกช่วยเหลือติดตามและไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในความฝันของตัวหล่อนเองของนันอินหรือของขยินก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งสิน้นคือจะเห็นในภาพของหนุ่มชาวดงพนเนจรยุคที่เคยมาเป็นคนใช้ของคณะเดินทางนั่นเอง หาได้ปรากฏตนให้เห็นในรูปลักษณ์ของจักรราชหไม่น่าจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความผูกพันในอดีตที่เคยร่วมทุกยากในการเดินทางครั้งนั้นตลอดจนความห่วงใยต่อสถานการณ์รวมทั้งพร้อมที่จะร่วมประจนประจันติดตามระพินในครั้งนี้ด้วยเพียงแต่ว่าเขาผู้นั้นบัตรนี้ไม่มีตัวตน สังขารอินทรีมาปรากฏให้ทุกคนเห็นจะแจ้งกับสายตากันซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นและตัวจริงของแง่ายริจักรราศลับนะับบัดนี้อยู่ในสถานการณ์เช่นไรคงมีชีวิตอยู่ครองสุขร่วมกับเมยานีในแผ่นดินของเขาหรือว่าหรือว่า น้ำนึงมาถึงตรงนี้ดารินใจหายว่างระหว่างที่ใครต่อใครเคลื่อนไหวพูดจาและเตรียมการในนาทีสุดท้ายอยู่นั้นดารินยังยืนตะลึงนิ่งพี่ชายใหญ่สังเกตเห็นอยู่ตลอดเวลาเข้ามาตบไหล่เรียกเบาๆน้อยดารินหวาตื่นจากห่วงรำพึง พี่ใหญ่คะปรากฏการพิลึกเกี่ยวกับแง่ทรายที่มาเข้าฝันบอกความน้อยบอกความหนานอินแล้วก็ขยินซึ่งมันก็ตรงกันหมดเช่นนี้พี่ใหญ่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมีใครคิดบ้างไหมคะว่าขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้นอกจากกระพินแล้วตัวแง่ทรายเองละ่ะเขาตกอยู่ในสภาพไหน เชิดฐาหัวคิ้วชนกันนิดหนึ่งแล้วก็คลายลงเป็นปกติเขาเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของน้องสาวได้ดีที่สุดน้อยพี่ยอมรับนะว่ามันเป็นเรื่องแปลกการที่เรารู้ถึงการจากไปของระพินในครั้งนี้รวมทั้งได้ตัวนันอินกับขยินมาร่วมได้อย่างทันการเกิดขึ้นจาก สัญญาณบงการของแง่ทายทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องประจวบเหมาะหรือบังเอิญด้วยแต่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะ่ะดูจะเป็นปัญหาแบบอจินไตคือคิดไปไม่ได้คิดแล้วบ้าเพราะถึงยังไงขณะนี้เราก็หาคำตอบไม่ได้พี่เข้าใจนะว่าน้อยระแวงคิดไปว่าจักรราศอาจสิ้นพระชนไปแล้ว หลือไว้แต่ดวงวิญญาณที่ยังรักสนิทผูกพันยอยู่กับพวกเราเท่านั้นดวงวิญญาณจึงทำหน้าที่มาบอกข่าวแต่พี่ก็ไม่อยากจะให้น้อยเข้าใจในทางอัปมงคลเช่นนั้นแล้วแล้วจะให้น้อยเข้าใจยังไงล่ะคะช่วยในด้านความคิดหน่อยสิหรือจะตั้งเป็นสมมุติฐานขึ้นก็ได้ดาริมมีอาการแอดอั้นตันใจขึ้นมาอย่างฉับพลัน เมื่อความรู้สึกบางอย่างกระทบความรู้สึกอันเฉียบไวัยของหล่อนอ่ะตั้งสมมุติฐานขึ้นก็ได้เอาเป็นว่าน้อยเชื่อในเรื่องกายทิพย์หรือพลังอำนาจจิตไม่ใช่เหรอเชื่อคะ่ะแต่นั่นต้องหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องใช้ยาสมาบัตขั้นสูงแล้ว และน้อยคิดเลยว่าอย่างจักรราชหรือจะเรียกว่าแง่ทรายก็ตามจะไม่ได้ชาญขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเองก็เป็นสิทธิ์ของมหาฤาษีโกนธัญะญมีบารมีแต่ชาติก่อนสร้างสมมาไว้เป็นทุนอยู่ก่อนแล้วถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่กลับไปกู้ประชาชนกู้บัลลังคืนมาจากทรราชได้หรอกน้อย นันอินแล้วก็ขยินพบแง่ายในฝันโดยมาบอกในข้อความต่างๆสุดแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนบอกน้อยว่ารพิงขนาดนี้ลำบากยากแค้นอยู่กลางปาบอกนันอินก็ขยินให้เดินทางมาเพื่อพบกับพวกเราที่หนองน้ำแห้งที่มาพบในความฝันนั่นแหละคืออำนาจจิต จากชานชั้นสูงหรือกายทิพย์ของเขาละ่ะโดยไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องสิ้นชีพสิ้นสังขารอันเป็นอินทรีย์หยาบลงซะ ก, ก่อนนี่คือความเห็นของพี่ถ้างั้นก็แปลว่าแปลว่าไงทายรู้หมดแล้วสิคะว่าอะไรเป็นอะไรก็ถ้าเขาไม่รู้เขาจะส่งกายทิพย์หรือปราณของเขา มาบอกความกันน้อยกนานอินหรือขยินได้ยังไงเขาอาจจะรู้ด้วยว่าบีห้าิบสองกรระเบิดนิวเคลียร์สิท์เมกาตารลูกนั้นน่ะไปตกอยู่ที่ไหนและรพินจะต้องถูกเคราะหกรรมบีบบังคับให้ต้องนำทางค้นหาเช่นไรเขามาบอกน้อยเพื่อให้ติดตามช่วยเหลือรพินซึ่งถ้าน้อยตัดตัดสินใจมาเพียงคนเดียวแน่ละ พวกเราที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วก็ต้องมาด้วยทังชุดและที่เดินใจให้นานอินกระขยินมาพบเราอย่างทันการก็เพื่อให้เรามีมือดีมาเป็นผู้นำทางนั่นเองเมื่อกี้นี้ตอนที่น้อยยังโม ย, ยุ่งอยู่กระช้างบาดเจ็บตัวนั้นพี่กับพวกเราสอบความขยินโดยละเอียดลมันบอกว่ามันนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้จริงๆ พระแงซท า, ายน่ะเข้ามาจี้มันทุกคืนไม่เป็นอันหลับอันนอนแล้วก็ให้ร้อนรุ่งกลุ้มใจเป็นกําลังจนทนอยู่ไม่ได้ต้องมาที่นี่แต่แงซท า, ายในฝันก็ไม่ได้บอกให้ขยินรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเพียงแต่สั่งให้มาที่นี่เท่านั้นกับแบบเดียวกับการส่งสัญญาณบอกหนานอินนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าแง่า ย, ายส่งทั้งหนานอินและขยิน มาให้กับเราสําหรับการเดินทางไปตามระพินในครั้งนี้โดยตรงชนิดไม่บอกอะไรมากเพราะถ้าทั้งสองคนนี้มาถึงพวกเราแล้วก็จะรู้เรื่องเองพี่วรรน้อยนะ่าเลิกวิตกอะไรได้แล้วก่อนออกจากกรุงเทพเราก็เป็นทุกข์ว่าจะไปตามหนานอินกระขยินได้ที่ไหนในระยะเวลากระชั้นชิดรีบด่วนเช่นนี้แล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆสองคนที่เราต้องการตัวที่สุด ก็โผมาทันเวลาพอดีทุกอย่างเป็นนิมิตหมายอันดีงามเป็นมงคลต่อการเดินทางของพวกเราทั้งสิน้นแม้กระทั่งการช่วยช้างป่าตัวนั้นของน้อยให้มันรอดพ้นทุกทรมานไปได้ก่อนออกเดินทางนิดเดียวซ้ำยังเป็นช้างตัวที่เรพินคุ้นเคยให้ความปราณีอยู่ก่อนซะด้วยคาพูดปรบประโลมอย่างมีเหตุผลที่ฉลาดของเชษฐา ทำให้น้องสาวมีกำลังใจดีขึ้นอีกครั้งเชิาโอบ ก, กอดดารินไว้กล่าวปลอบโยนต่อไปที่นี่ตรงลานตรงนี้แหละเมื่อปีเศษมาแล้วพวกเราภายใต้การนำของระพินมายืนชุมนุมรอเริกการออกเดินทางอยู่มีคุณนำพลมายืนส่งอยู่อย่างเช้าวันนี้แหละ ในครั้งนั้นเราจะไปตามพ่อเจ้าประคุณชดประชากรหรือนายกลางของเราจำความรู้สึกของพวกเราทุกคนในขณะนั้นได้ไหมมันยิ่งกว่างนมเข็มในมหาสมุทรสิเป็นความหวังที่เลื่อนลอยที่สุดแท้จริงนั้นเราต้องการจะไปดูให้แน่เท่านั้นว่ากลางเสียชีวิตที่ไหนและหวังจะเก็บกระดูเขาคืนมาเท่านั้นแต่และในที่สุด เราก็ยังไปเอาเขากลับคืนมาจนไดน้แต่การไปตามระพินคราวนี้มีความหวังมากกว่าการไปตามนายชดตั้งยี่สิบสามสิบเท่าเพราะฉะนั้นอย่าห่วงเราตามเขาพบแน่ช้าหรือเร็วเท่านั้นดารินยิ้มฝืนพบในลักษณะไหนล่ะคะเก็บกระดูก หอผ้าขาวมาเผากันในเมืองเหรอคะเช็ดเทาหัวเราะขึมๆในลำคอสวรรค์เบื้องบนทั้งนั้นแหละน้อยที่จะรู้ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับกรรมเก่าแต่หุนหลังแม้พวกเราทั้งหมดที่ไปนี่ก็เหมือนกันอาจจะไม่ได้กลับมาให้ใครพบเห็นอีกแล้วก็ได้ไม่เพียงแต่รพินเท่านั้นที่ทำพินกรรมไว้ก่อนเดินทางถึงพวกเราเอง ก็ทำไวเหมือนกันในการเดินทางครั้งนี้เพราะนั่นหมายถึงว่าเราไม่ประมาทระหว่างที่พี่ใหญ่และน้องสาวเล็กยืนซุบซิบสนทนากันสองต่อสองโดยแยกจากพักพวกคนอื่นที่กำลังจัดเตรียมตัวอยู่นั้นเป็นระยะเวลาที่รอให้ทูบที่นันอินจุดบวงสรวงบูชาเทพพาดาฟ้าดินตามพิธีของแก ซึ่งยังเหลืออยู่อีกเพียงไม่เกินหนึ่งเซนจะดับหมดสิ้นอันหมายถึงว่าเป็นเวลาเคลื่อนขบวนขยินยืนอยู่ใกล้ๆเชษฐาและดารินเจ้านั่นสีหน้าเป็นปกติธรรมดาของมันตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้อย่างเดียวว่ามันเดินทางมาพบคณะเจ้านายเก่าและบุคคลกลุ่มนี้กำลังจะไปไหนมันก็ขอไปด้วยคนโดยไม่ต้องชักชวนให้เสียเวลา ทั้งๆ ท, ที่เพิ่งจะผู่มาถึงหยกๆยกด้ารินสตดลมหายใจลึกๆตามองไปยังควันธูปช่วงสุดท้ายที่ยังลอยกลุ่นอยู่แล้วหันไปทางขยินขยินเจ้าเดินทางออกจากหลุมช้างมาถึงที่นี่หคืนเจวันตลอดระยะทางที่เดินมาไม่รู้เห็นหืิระแค่ระคายอะไร เกี่ยวกับการเดินทางของพรานใหญ่บ้างเลยเหรอลอนถามในภาษาเกรเลียงอย่างคล่องพอสมควรเจ้านั่นจันหัวหญินไม่รู้ข่าวอะไรพรานใหญ่เลยนายหญิงตลอดทางก็ผ่านหมู่บ้านบ้ า, บางสองสามแห่งไม่ได้ยินใครบอกว่าพบเห็นขบวนของพรานใหญ่ก็เพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้จากพวกเจ้านายว่านายรพินออกไปต่า เจ็ดแปดวันแล้วขยินน่งสวนทางลงมาจากหลุมช้างนายรพินบ่ายหน้าไปทางห้วยสื่อร้องจึงไม่พบกันแจ้นักเลงโตแห่งหลุมช้างบอกมาปราษาซื่อๆเหมือนอย่างที่มันได้บอกกับทุกคนไปแล้วเมื่อถูกถามขณะนั้นเองนายอัมพลก็เดินตรงเข้ามาสีหน้าแช่มชื่นเห็นชัดผมดีใจที่สุดนะที่ขยินโผล่ม่อีกคนหนึ่ง คณะของคุณหญิงหมดห่วงได้แล้วล่ะครับไหนจะพรนชดผมหมายถึงคุณชายอนุชานะครับไหนจะหนานอินไหนจะขยินเพียงแค่สามคนแค่เนี้ยคุณระพิน์ถึงไหนคณะของคุณหญิงก็ถึงนั่นครับไล่หลังกันแค่เจ็ดปดวันผมว่ายังไม่สายเกินไปนักหรอกจะบุกเทือกพระศิวะอันอีกสักครั้งผมว่ายังไหวนะเราก็หวังไว้เช่นนั้นนะคุณอําพลเชษฐาต่อ แต่ดารินอดเหน็บแนมไม่ได้ว่าคุณก็ดีแต่พูดคุณไม่เคยมาเดินเสี่ยงตายกับเราเลยสักครั้งนี่ผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ยิ้มแห่งๆโธ่ก็พวกท่านไม่อนุญาตผมนี่ครับถ้าอนุญาตผมก็จะขอไปด้วยวันนี้แหละไม่ต้องกลับไปสั่งเสียใครอีกด้วยเอาเถอะเอาเถอะอยู่หลังตั้งใจช่วยดีกว่า แล้วก็คอยดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์จากกองมรดกของรพินเขาไว้อย่างซื่อสัตย์ด้วยในกรณีที่เขาหรือพวกเรากลายเป็นคนสาบสูญไปราชสกุลหนุ่มใหญ่อดีตท่านทูตทหารบกกล่าวมาอย่างสับพยอยกพยายามทำบรรยากาศก่อนจากอย่างไม่มีอนาคตให้คลืคื้นลอบขวันทั้งฝ่ายผู้อยู่และผู้ไปณบัดนี้ บริเวณลานดินกว้างใหญ่หน้าบ้านระพินเต็มไปด้วยชาวบ้านหนองน้ำแห้งทั้งลูกเล็กเด็กแดงออกมายืนอเตรียมส่งกันอยู่เต็มแน่นขนัดไปหมดขนะดนั้นเองชุดประชากรอดีตนักบุกไพรหัวเห็ดซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เขาจะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศนำทางมือหนึ่งโดยที่นันอินและขยินเป็นผู้ช่วยก็ตะโกนบอกมาว่า เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งทุกคนประจำที่ได้แล้วเรียมตัวการเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นอีกครั้งจากเสียงสั่งนั้นชา ย, ยันก็เดินเข้ามาพร้อมกับวิทยุรับส่งแบบมือถือสองเครื่องแจกส่งไปให้แก่เชษฐาและขยินคนละเครื่องอ่ะนี่เพื่อความไม่ประมาทของใครก็ประจำตัวไว้ซะก่อนเลยนะชั้นกลางมีไว้แล้ว เรายังมีสำรองอีกสองเครื่องอยู่ในสัมภาระส่วนกลางเอาไว้จำเป็นค่อ ย, อยพิจารณาว่าจะมอบให้กนาันอินหรือหัวหน้าลูกหาดค่อยพิจารณากันอีกทีนึงตอนนี้ยังไม่จำเป็นสำหรับสองคนนั่นเทียารับมายัดใส่ไว้ในเป้หลังส่วนดารินร้อยปลอกหนังของเครื่องรับส่งปิดกระเข็มขัดไว้ประสบการณ์ความชำนาญที่ผ่านมาแล้ว ทำให้การตรัเตรียมเดินทางป่าดงกันดานของหล่อนครั้งนี้รัดกุงกว่าเมื่อสมัยไปติดตามพี่ชายมากมายนักเสื้อผ้าก็เป็นแบบที่ไม่ต้องการความสวยงามใดๆทั้งสิ้นนอกจากทนทานและสวมใส่สบายเพื่อความคล่องตัวขิดสุดไม่ขาดเข็มขัดปืนสั้นให้เ ก, ก, กะกัดแต่ใช้มีดเดินปา่าติดเข็มขัดอีกด้านหนึ่งแทนสาหรับปืนพกสั้นประจาตัวน่ะหล่อนเก็บไว้ในยามหลัง คูของหนานอินดับส่งควันกลุ่มสุดท้ายลอยวนขึ้นสูงเป็นวงกลมลมสงัดทุกคนพร้อมแล้วความเงียบก็บังเกิดขึ้นเมื่อเชษฐาอนุชาชัยยันและดารินสี่คนมายืนอยู่เบื้องหน้าของนายอัมพลผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ผู้สึ่งบัตรนี้ใบหน้าสลดลงเห็นได้ชัดมีหยาดน้ำตาคลอคลอง เชษถาวราริษในฐานะอาวุโสที่สุดกล่าวขึ้นด้วยเสียงลึกคุณอำมพลถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องกล่าวกับคุณว่าลาก่อนจนกว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกระหวังไว้เช่นนั้นอำพลพลากรกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ต่อไปมันไหลเป็นทางลงมาบนแก้มอันบวมฉุ ข, ของเขา พนมือทั้งสองขึ้นจรดอกต่อหน้าทุกคนกล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือเป็นห้วงห้วงผมผ ม, ผมกล่าวอะไรไม่ถูกแล้วล่ะครับนอกจากขอราษฎรนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลละโลกจงปกปักพิทักรักษาคุ้มครองพวกท่าน และบริวานร่วมตายทุกคนที่ไปด้วยในครั้งนี้ให้รอดพ้นจากพยันตรายนาน า, นานชนิดและสำเร็จในผลงานที่ตั้งใจไว้คือเอาตัวคุณรพินกลับคืนมาได้โดยสวัสดิภาพผมและพวกเราทุกคนที่หนองน้ำแห้งนี่จะรอฟังข่าวดีครับ กล่าวได้แค่นั้นนายอัมพลก็กัดริมฝีปากแน่นกลั้นสะอื้นบุคคลแรกที่ก้าวเข้ามาชิตและส่งมือไปบีบเขยา่าโดยแรงคืออนุชาวราริศเขาพูดง่ายๆอย่างไม่พีพิธีรีตองว่าไปแล้วนะเพื่อนยากคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของครอบครัวเราแล้วก็ขอบใจที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด โชคดีครับคุณชายกลางคนที่สองก็คือชยยายันต่างฝ่ายต่างบีบมือกันแน่นไม่นานนักคงได้พบกันอีกนะคุณอัมพลไม่ว่าผมจะหายไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามถ้าหากเมที่คลอดลูกอยู่แข็งแรงดีขึ้นมาแล้วเกิดอุตริจะติดตามผมไปละก็ คุณไล่เขากลับไปให้เลี้ยงลูกไอ้ตัวเล็กของผมที่ชื่อไพรวันอันันรทรเอาแค่มันกำพร้าพ่อได้แต่มันไม่ควรจะต้องกำพร้าแม่ด้วยนะกุณครับผมคุณชัยันผมจะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณทุกอย่างครับชยันผลักไปแล้วเชษฐาก็ยื่นมือไปให้ในายอัมพลเป็นคนที่สามพร้อมทางรอยยิ้ม อย่าเสียใจคุณอำพลผมรับรองว่าผมจะไปเอาระพินกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่ามีชีวิตอยู่หรือกระดูกของเขาครับผมเชื่อมั่นในสติปัญญาและความสุ ข, ขุมรอบคอบของคุณชายใหญ่ครับสามชายกล่าวอำลากับนายอำพลชนิดตัวต่อตัวแล้วพระเดินไปหมดแล้ว บัดนี้จึงเหลือแต่เพียงดารินวราฤทธิ์เป็นคนล้าหลังสุดท้ายยืนเผชิญหน้าอยู่กับบุรุษวัยกลางคนผู้ใกล้ชิดกับครอบครัวมากที่สุดจนเกือบจะเหมือนยากหล่อนไม่ได้หันไปสนใจเบื้องหลังซึ่งขณะนี้เริ่มขบวนเดินทางกันออกไปแล้วและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันแห่เดินตามออกไปส่งดวงตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันนิ่ง ในระยะห่างกันเพียงแค่เอื้อมคุณหญิงครับทุกคนไปกันโน่นแล้วนะครับเสียงแผ่วเบาของผู้อำนวยการไทยไวไลฟ์ดังเตื่นขึ้นปล่อยพวกเขาไปก่อนเถอะคุณอําพลประเดี๋ยวฉันก็ตามทันก่อนจากนะฉันอยากจะพูดกับคุณอําพลโดยเฉพาะสักสองสารนาทีเท่านั้นแหละ ดารินพูดเหมือนกระซิบเชิญรับคุณหญิงเอาเป็นว่าคุณเล่าสั้นๆถึงนาทีสุดท้ายที่คุณเห็นระพินไพรวันก่อนที่เขาจะผละจากคุณไปในวันนั้นได้ไหมฉันอยากฟังอัมพลพลากรมองดูหม่อมราชวงศ์ดารินวราริสอย่างสุดสมเพชและสะเทือนใจขีดสุด เสียงที่พูดกับเขานั้นฟังออกว่ามันกลั่นออกมาจากหัวใจแท้ๆได้ครับเช้าวันนั้นนะครับเวลาใกล้เคียงกับขนาดนี้แหละครับคุณรพินยืนอยู่ณตำแหน่งที่คุณหญิงกําลังยืนอยู่ในขนาดนี้แหละที่เดียวกันไม่มีผิดครับใต้ร่มเงาไม้ใหญ่นี่แหละเสียงพูดของเขาแหบพร่า ลำเกินความรู้สึกบางชนิดลงในหัวอกตอนนั้นในมือของคุณรพินถือจดหมายฉบับหนึ่งไว้มองดูผมแนวนิ่งไปครู่แล้วก็พูด ก, กับผมว่าคุณนำพลครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกไว้แล้วว่าจะขอให้คุณช่วยทำให้ผมก่อนออกเดินทาง ตอนนั้นผมก็ตอบว่ายินดีรับปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้วผมก็ถามว่าอะไรคุณพินก็ส่งจดหมายฉบับนั้นให้ผมแล้วก็พูดว่าคุณเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้นะมอบส่งให้กับคุณหญิงดารินโดยเฉพาะตัวด้วยมือของคุณเองแล้วก็บอกกับเธอด้วยว่าโปรดจะได้พยายามติดตามผมไปเป็นอันขาด แล้วก็ฝากลาคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาคุณชัยยันแล้วก็เมยด้วยถ้าคุณเมียมีโอกาสพบท่านเหล่านั้นก็เท่านี้แหละครับตอนนั้นผมรับจดหมายฉบับนั้นมาใส่กระเป๋าเสื้อไว้แล้วก็สวมกอดแกไว้นั่นแกก็พูดต่อว่าไปแล้วครับได้เวลาแล้ว นั่นคือประโยคสุดท้ายของคุณรพินครับผมยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้คือเหตุการณ์นาทีสุดท้ายก่อนที่คุณรพินจะจากไปครับดารินรีตาลงลมเช้าเป่าเส้นผมของหล่อนปลิวสวยัยคุณันพนครับผม สำหรับฉันน่ะก่อนจากกันวันนี้เอาเป็นว่าฝากทำอะไรสักสองอย่างได้ไหมได้ครับผมพร้อมเสมอที่จะรับใช้คุณหญิงอย่างเต็มใจที่สุดครับโปรดบอกมาเลยครับคุณนํำพลข้อที่หนึ่งนะคุณแม่ของรพินก็เปรียบเหมือนคุณแม่ของฉันเหมือนกัน ในการมาคราวนี้เนี่ยฉันอยากจะไปกราบเยี่ยมท่านใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าไปพบท่านได้เพราะเกรงว่าจะกลั้นพิรุธไว้ไม่ได้ฉันคงต้องร้องไห้แล้วท่านก็จะสงสัยอันอาจจะเป็นเหตุให้ท่านรู้ความจริงว่าขณะนี้ลูกชายของท่านตกอยู่ในภาวะใดซึ่งมันเป็นอันตรายต่อจิตใจของท่านมาก ฉันตึงตัดสินใจไม่ไปเยี่ยมท่านซะเอาเป็นว่าฉันฝากคุณแม่คุณรพินไว้ด้วยนะคุณอำพลครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณหญิงอำพลรับคำหนักแน่นแต่เครือเสียงทีนี้ข้อที่สองดารินกล่าวต่อไปสอดนิ้วลงในกระเป๋าเสื้อเดินป่าที่สวมอยู่ขีบเอาสิ่งหนึ่งขึ้นมา ลักษณะของมันก็คือรูปโปสการ์ดขนาดเท่ากันสองแผ่นแต่ประกบหน้าเข้าหากันผูกไว้ด้วยริบบิ้นสีชมพูฉายข้างหนึ่งร้อยดอกรักอีกข้างหนึ่งดอกบานไม่รู้โรยยื่นส่งให้ฟังให้ดีนะคุณอำพลนับจากวันนี้เป็นต้นไป เป็นเวลาสิบปีถ้าหากฉันและระพินยังไม่กลับมาให้คุณเห็นหน้าและคุณไม่ได้ข่าวใดๆจากเราอีกเลยโปรดเอารูปของเราทั้งสองที่มัดติดกันไว้นี้บรรจุไว้ในเจดีเล็กๆองค์เดียวกันบางสุกุลกรวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่เราทั้งคู่ด้วยเราจะได้ไปพบกันในชาติหน้า หากว่าชาตินี้กุศลของเราทั้งคู่สร้างสมกันมาน้อยนะักอำพลพลากรเอื้อมืออันสั่นเทาไปรับรูปคู่นั้นมาถือไว้น้ำตาที่สะกดกลั้นอยู่ตลอดเวลาก็ไหลเป็นทางออกมาอีกเช้าวันนี้เขากลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปซะแล้วโดยไม่มีใครจ้างครับผม คุณหญิงผมจะปฏิบัติตามที่คุณหญิงสั่งไว้ทุกอย่างไม่ให้บุกพร่องเลยครับดาริงยิ้มเป็นรอยยิ้มเศร้าๆส่งมือไปให้อำพลจับไว้ราชาสกุลสาวบีบและเขย่าแรงหนักหน่วงเอาละคุณอำพลฉันจะขอพูดในประโยคเดียวกับรพิน ที่ได้พูดกับคุณไว้เป็นครั้งสุดท้ายในเช้าวันนั้นนั่นก็คือไปแล้วนะได้เวลาแล้วแล้วก่อนผู้อำนวยการไทยวไลฟ์จะกล่าวคำใดดารินวราราดิศคลายมือที่จับมือเขาออกหันหลังกลับฉวยไรเฟิลประจำมือที่วางพิงอยู่กับโคนต้นไม้ขึ้นมาคอนว้ในแขน ก้าวเดินช้าๆด้วยฝีเท้าอันหนักแน่นมั่นคงผลักจากไปในทันทีโดยตามหลังท้ายขบวนที่มองเห็นกลุ่มชาวบ้านหนองน้ำแห้งตามไปส่งกันเป็นพรวนลิบๆอยู่ข้างหน้ากำลังจะลงสู่เขตไร่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะักบัติณี ด้วยไรเฟิลกระบอกเคยคู่ชีพที่ถือง่ายๆไม่พิธีพิถันอะไรในมือราชสกุลสาวสวมวิญญาณของอดีตนายหญิงของคณะบุกเบิกเทือกเขาพระศิวะมาแล้วในอดีตเมื่อไม่นานนี้นักทันทีนั่นก็คือสิทเอกของจอมพรานระพินไพรวันผู้เจนจบและทรหดสุดใจขาดดินในอาณาจักรของป่าดงพงไพรอะไรก็ตามที่หล่อนเคยเผชิญมาแล้วในอดีต หล่อนพร้อมทุกขนาดที่จะเผชิญกับมันอีกไม่ว่าจะร้ายกาจน่าสะพึงกลัวซักขนาดไหนโดยฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับประสบการณ์ไหวพริบ ป, ปฏิภาณและฝีมือของการยิงไรเฟิลหล่อนเป็นดารินคนละคนกับสมัยที่เริ่มออกเดินทางในครั้งแรกของยุคนั้นหน้ามือเป็นหลังมือแม้ว่าการเริ่มต้นอีกครั้งในยุคหลังนี้ ผิวพันธ์จะกลับไปเป็นความละเอียดอ่อนยองใหญ่แบบบางไปแล้วเพราะกลิ่นไอของอารยธรรมที่บ่มให้กลับคืนมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็งๆแต่พรุ่งนี้มรืนนี้และวันต่อๆไปมันก็จะแปลสภาพมาเป็นความกร้านเกรียมแข็งแกร่งขึ้นเองตามความกราดกรมและบีบบังคับของภูมิประเทศและเหตุการณ์หลอนไม่เร่งรีบอะไรเลย ในการเดินติดตามไปเบื้องหลังคณะพักทั้งหมดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วของก้าวดุมดุมด้วยฝีเท้าอันมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไปเป็นลำดับเยี่ยงพรานสาวผู้เจนใครนอกเหนือไปจากความน่ารักทั้งหลายแหล่ที่ได้เห็นเป็นส่วนประกอบของชายผู้มีนามวารพินผู้นั้นถ้าเดินดุง ของการตาวัดว่าไราเฟิลเข้าสู่เป้าหมายอันตรายอย่างรวดเร็วของเขาเป็นท่วงท่าอิริยาบถ ท, ที่หล่อนจดจำติดตาและประทับใจมานานแล้วในชีวิตของดารินไม่เคยเห็นใครยิงไรเฟิลพิฆาตสัตว์ได้สวยเท่าชายผู้นั้นแล้วหล่อนก็เคยจดจําฝึกหัดลอกเลียนแบบมาได้อย่างใกล้เคียงที่สุดแม้แต่เงายายก็ยังดูแล้วไม่สง่างานเท่า ในภาวะที่เขาต้องการจะคว่ำอะไรสักอย่างหนึง่งให้มันพล่มคลืนลงด้วยกระสุนเฉียบขาดเพียงนัดเดียวคนอื่นๆผู้ร่วมคณะอาจไม่มีใครสังเกตรพินในขณะยิงไรเฟิลและคงไม่สนใจอะไรมากไปกว่าในข้อที่ว่าเขายิงได้แม่นยำรวดเร็วและเฉียบขาดเท่านั้นแต่ดารินเคยเฝ้าสังเกตมานานแล้ว จำจนเรียนแบบได้เลยทีเดียวตอนใดก็ไม่น่าดูเท่ากับตอนที่สัตว์ร้ายกําลังพุ่งชาร์ตสวนเข้าสาั่นและเขาผู้นั้นจะปักหลักอย่างใจเย็นส่งกระสุนเข้าหาเป้าหมายกลางแสกหน้าอันเป็นผลให้สัตว์ร้ายนั้นๆไม่ว่าจะรีดเข้ามาราวกับพายุสลาตานันหรือกระโจลลอยสวนเข้ามากลางอากาศศีรษะของมันจะปักทิ่ดินตีลังกาหงายทองฝุ่นตลบไปหมด และร่วงหรือลอยลงมาตกชักดิ้นราดอยู่ตรงหน้าของคนหญิงแค่คืบแค่ศอกเท่านั้นหล่อนคิดถึงภาพนั้นๆและหล่อนก็เคยยึดถือปฏิบัติตามมาได้แล้วแม้จะไม่ท่าอาจารย์ถึงร้อยเปอร์เซนตเต็หล่อนก็สามารถทําได้ถึงกว่าครึ่งของความยิ่งใหญ่ในข้อนี้ของเขาซึ่งแม้แต่มาเรียเองผู้เคยจัดเจนไคร และการล่าสัตว์ใหญ่มาก่อนหล่อนนานมมาในระยะหลังๆแม่พรานสาวเลือดเยอรมันผสมฝรั่งเศสผู้นั้นก็ยังไม่สามารถจะทำได้อย่างหล่อเพราะแน่ละในป่ายุคนั้นใครจะใกล้ชิดรพินมากไปกว่าดารินคนนี้ในบรรดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่หล่อนเดินไปพลาง ก็ขอพรไปพลางนี้หล่อนทรงจิตคารวะไปถึงครูรพินด้วยคิดถึงในฐานะผู้เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาเผชิญภัยในป่านอกเหนือจากความคิดถึงในฐานะอันเป็นยอดดวงใจสิทธิ์กำลังออกติดตามอาจารย์อยู่เดี๋ยวนี้แล้วหล่อนพูดอยู่ในใจ ขอให้ศัพวิชาการแห่งพงไพรที่ได้รับการถ่ายทอดอบรมฝึกสอนจงปราดเรืองอย่าให้หลงลืมอับจนเลยไม่ว่าอาจารย์จะไปอยู่หนใดในขนาดนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราอาจจะเหนื่อยมากดารินรำพึงต่อไปขณะที่เดินโดดเดี่ยวไปตามลำพัง แต่พรุ่งนี้เราจะเหนื่อยน้อยกว่าวันนี้มะรืนก็จะดีขึ้นอีกแล้ววันต่อไปกำลังก็จะอยู่ตัวแล้วอีทีนี้แหละต่อให้สุดล่าป่าหิมาพานฉันก็จะสมสารตามเธอให้พบจงได้งูเห่าตัวดำมาเมื่อมขนาดเท่าข้อมือเลื้อยปลาตัดหน้าแล้วไปหยุดอยู่ริมทาง พงกหัวชูขึ้นเหนือพื้นราวสองคือดารินมองดูมันอย่างปราศจากความหมายไม่มีแววตื่นระหนกตกใจใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ก้าวเบี่ยงหลบออกทางซ้ายเล็กน้อยกักพอให้พ้นรัศมีฉกแล้วก็เดินผ่านพ้นมันไปซะคณะพักที่เดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วประมาณสามสี่นาทีไม่มีใครหยุดรอ หรือว่าส่งให้ใครย้อนกลับมาเป็นเพื่อนหล่อนเลยพี่ชายสองคนเพื่อนชายคนหนึ่งรวมทั้งนานอินและขยินได้แสดงอาการอันให้เกียรติและเชื่อถือหล่อนแล้วอย่างเต็มที่ไม่มีใครห่วงในเรื่องอันไม่น่าจะห่วงเลยซิ่ดารินก็พอใจมันหมายถึงว่าไม่มีใครพิจารณาว่าหล่อนเป็นทารกหรือผู้ไร้เดียงสาแห่งป่าใหญ่ไพรกว้าง อีกแล้วผิดกับสมัยก่อนนี้มากซึ่งคนเหล่านี้จะคอยระวังทนหนอมหล่อนราวกะไถในหินก็ไม่ปัดดารินเริ่มเร่งฝีเทา้าเมื่อเห็นกลุ่มคณะพักขบวนหลังสุดห่างออกไปประมาณสองสามร้อยเมตรพ้นบริเวณไร่และกำลังตรงเข้าหาเขาเตี้ยเตี้ยลูกหนึ่งบริเวณรอบด้านเป็นป่าโปรง และจากนั้นอีกแค่เจ็ดแปดนาทีเท่านั้นหล่อนก็ตามทันกลุ่มหลังสุดซึ่งก็คือกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าที่เดินไปพลางปรึกษาหารือกันไปพลางมีนานอินและขยินร่วมอยู่ด้วยคนเหล่านั้นเพียงแต่หลบํำเนืองหลังมันิดเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของหล่อนเร่งติดเข้ามาจนถึงนี่ เรียนแบบได้เหมือนมากนะแม้กระทั่งท่าเดินเชยใช้ยันอดยาวไม่ได้แต่ก็พูดด้วยสีหน้าเฉยขึ้เหมือนน่ะเหมือนอะไรเอา้าก็เหมือนพยยอดชายนารพินของเธอน่ะสิบอกให้คนอื่นอื่นล่วงหน้าไปก่อนตัวเองกวดหลังประเดี๋ยวก็ทันไงดารินสันสีสั่งยางรอก ยังไม่ถึงหนึ่งในร้อยของคนคนนั้นหรอกถ้าจะให้เหมือนก็คงจะเป็นอีกสักหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ฉันจะไปนั่งคอยดักหน้าอยู่ก่อนแล้วและก็ต้องเป็นตำแหน่งที่พวกเราทั้งหมดกำลังปรงหัดเตรียมพัดชั่วขณะนั่นคือระพินแต่ฉันยังไม่เก่งถึงขนาดนั้นและน้องสาวคนเล็กของตระกูลก็หันไปทางพี่ชายกลางว่าไงคะพรานชด จุดหมายแรกเราควรเป็นที่ไหนก่อนก็หมู่บ้านแรกของทิศทางทีรพินายหน้าไปก็คือซับบอลไงเราจะไปที่นั่นก่อนเหมือนกันเพื่อสืบข่าวได้ความแน่นอนยังไงแล้วค่อยตัดสินใจทีว่าจะแกะรอยตามเขาไปเรื่อยๆในทิศทางที่เขาผ่านหรือว่าจะใช้วิธีก้าวสกัดดักหน้าในเมื่อเราก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนเข้าดงดึกดําบัน เขาจะต้องบ่ายหน้าห้วยสือร้องอนุชาตอบมีอะไรทำให้แน่ใจหรอคะว่าพวกเขามุ่งหน้าซับบอนเป็นเป้าหมายแรกเมื่อออกจากหนองน้ำแห้งดารินถามอย่างความเห็นเพราะเป็นผู้เข้ามาถึงทีหลังซึ่งก่อนหน้านั้นคณะพักคงจะปรึกษาหารือกันไว้ก่อนแล้วก็มีรอยหัก แล้วก็ฟันกิ่งไม้ไว้เป็นระยะอันเป็นธรรมชาติเคยชินของพวกพรานพื้นเมืองของระพินซึ่งอาจจะเป็นจันหรือบุญคำไงผู้ตอบครั้งนี้คือพี่ชายใหญ่ผู้ซึ่งร่วมทุกข์ร่วมยากกับกลุ่มของระพินมาจนจาอะไรต่ออะไรของกันได้โดยเข็มที่พวกเขามุ่งไปนี่ถามหนังอินดูลลหมู่บ้านแรกที่จะพบก็คือซับบอน เพราะฉะนั้นก็ควรจะเชื่อแน่ได้ว่าพวกเขาคงมุ่งซับบอนก่อนในการพักนอนคืนแรกชัยยันนั้นแบมือที่กำอยู่ให้หมอมราชวงศ์สาวดูนี่ไงหลักฐานชิ้นแรกของฝรั่งกลุ่มนั้นซิกกาฮาวาน่าก็คงจะเป็นของพวกผู้ชายสูบส่วนแมมสองคนก็ควรจะสูบวินสตันฟินเตอร์ก้นนี้ เพียงแต่ยังพิสุจน์ไม่ได้ว่าระหว่างแม่ผมสีแดงรูปร่างจำบะกับแม่ผมทองทรงโปรงงามใครจะเป็นเจ้าของบุรีก้นนี้กันแน่ทั้งสองแมมมน้ำม่ทาลิปสติกในขณะเดินป่ารอเพราะไม่มีรอยทิ้งก้นกรองผิดกระเธอในวันแรกของยุคนั้นมากดารินไม่สนใจกระทำพูดประโยคท้ายของชั ย, ยันที่เน็บแนมยั่วมา หลอนหมดสมัยที่จะมาต่อแยทะเลาะ ก, กับเพื่อนชายพวกนี้แล้วพูดอย่างแสดงความหิ่งกับทุกคนน้อยว่าพวกนั้นคงจะเดินทางอย่างรีบเร่งที่สุดและรพินในฐานะมักคุเทศก็คงจะหาทางลัดย่นระยะให้สั้นที่สุดเหมือนกันเชื่อว่าคงไม่พาอ้อมทถลทะเลืกไปทางไหนนอกจากมุ่งห้วยสือร้องนี่ก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเจ็ดแปดวัน มันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะออกส ก, กั้นสกัดพวกเขาที่ห้วยเสือร้องได้ทันอีกอย่างหนึง่งเขาฉันหมายถึงระพินนะก็ไม่คิดไม่หวังว่าพวกเราจะตามหลังมาและเรื่องอะไรที่เขาจะถ่วงเวลารอระพินจะไม่ถ่วงเวลารอคอยใครหรือเพื่ออะไรหรอกพรานชดหรือคุณชายอนุชากล่าวเคร่งขรึม นั่นน่ะเป็นสิ่งถูกต้องตามที่น้อยว่าและเรื่องการตัดลัดทางให้สั้นที่สุดมันก็จริงเหมือนกันแต่เราก็ต้องคำนึงถึงความจริงอีกข้อหนึ่งจะฝรั่งสีคนนั้นถึงจะเก่งกาจสักขนาดไหนก็เชื่อว่าไม่ใช่นักเดินดงอาชีพหรือผ่านเหตุการณ์ยากลำบากมาแล้วอย่างพวกเราอีกอย่างหนึง่งสัมภาระพวกนั้นก็มีจานวนปริมาณมากกว่าของพวกเรา นี่ก็เป็นสิ่งที่ถ่วงเวลาให้ช้าลงความหวังที่จะตามให้ทันที่ห้วยเสือร้องมันอาจจะล้มเหลวแต่ถ้าเราสามารถย่นระยะทางให้ได้มากกว่าเขาโดยเอาข้อได้เปรียบจากความคล่องตัวมากกว่าก็จะทำให้การติดตามกระชั้นชิดเข้าไปได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทันกันที่ห้วยเสือร้องหรอกเพราะเขาอาจจะผ่านไปก่อนหน้าเราแล้ว ท้าว่าก็ไม่ควรจะให้ผ่านพ้นที่นั่นเลยหน้าเราไปหลายวันนะแล้วค่อยไปอ่านใจอ่านทิศทางก้าวสกัดกันหลังจากออกจากคั้วเสือร้องไปแล้วก็บอกแล้วไงว่าเราจะหารือกันเป็นระยะระยะตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปซึ่งก็อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ถือหลักตายตัวว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นสรุปก็คือกวดให้ทันที่กวดให้ทันกันแล้วกัน จะจุดหนึ่งจุดใ ด, ด, ดก็ได้ทั้งนั้นแหละแล้วอนุชาก็หัวเราะเกรียมยมในลำคอวางมือลงบนไหล่น้องสาวนับประสาอะไรกับที่ระพินล่วงหน้าเราไปเพียงแค่อาทิตย์เสร็ จ, รจในชดกันนั้นอินะล่วงหน้าไปก่อนต้องปีเศษนะน้อยกับพวกเราก็ยังตามพบกันจนได้ไม่ใช่เหรอโอ้ใช่สิคะก็ไปพบในคุกมรกรนะครยังไงล่ะเกือบเหลือแต่กระดูก คราวนี้ทุกคนหัวเราะออกมาพร้อมๆกันเออนะจะพุในคุกหรือในนรกที่ไหนก็ขอให้พบก็แล้วกันพวกเขารวมทั้งตัวระพินด้วยจำนวนยี่สิบคนพอดีส่วนพวกเรานะ่ะรวมแล้วสิบหกปริมาณลูกหลูกหาบน่เท่ากันคือห้าคู่สิบคนแต่สัมภาระของเราเนะ่ะเข้าใจว่าเบาวกว่าครึ่งค่อชั่วโมงแรกนี่ก็ให้อุ่นเครื่องกันไปตามสบายก่อน พอขึ้นชั่วโมงที่สองก็จะทำเวลาแล้วอนุชาบอกกับทุกคนแล้วบัตรนั้นเองโดยไม่พูดอะไรกับใครอีกเลยดารินวราริ์เร่งอัตราฝีเท้าหลอนขึ้นทันทีเดินตัดจากกลุ่มพักพวกที่คุมหลังขบวนอยู่ทั้งหมดโดยไล่เฉียดผ่านขบวนลูกหา ป, ปัดขึ้นไปเรื่อยฝีเท้าของหล่อนเบาและเงียบกริบพี่ชายทั้งสองช ย, ยันและหนานอิน ตลอดจนขยินที่ยังรวมกลุ่มกันอยู่แม่จะรู้ฝีมือกันดีอยู่แล้วก็อดที่จะตาค้างมองตามหลังไปอย่างตื่นตื่นแปลกใจเสียไม่ได้เอาละสิยายน้อยนะ่ะแผลงดักศักดาลล้วทำยังกระพินใครวันอย่างนั้นแหละวิญญาณของไอเสือนะ่ะมันเข้าสิงยังไงเดินเร็วชะมัดเลยครั้งแรกก็ยังไม่มีใครไหวตัวนะัก คงปล่อยให้น้องสาวขึ้นไปเดินนำหน้าขบวนอยู่ตามลําพังโดยคิดว่าต้องการแค่เดินตรวจอะไรอยู่ในตอนหน้าเท่านั้นพวกตนยังจับหมูกันอยู่ท้ายขบวนแต่แล้วชั่วไม่นานก็เห็นร่างราหงปราดเปรียวนั้นทิ้งห่างออกไปเป็นลําดับเป็นการล่วงหน้าแกะรอยสแสวงหาวิแววของพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเจ็ดแปวันจนเริ่มเข้าเขต ด, ดงลึก เชษฐาก็ส ก, กิบบอกอนุชาทันทีเอ๊ะน้อยนะ่ะนำลิ้ยวไปโน่นแล้วถ่าทางจะไม่รอใครเอาซะเลยนะแล้วก็มีความมั่นใจตัวเองอย่างเต็มที่นี่กลางเธอขึ้นไปประกบไว้ก่อนนะประเดี๋ยวก็ออกนอกลู่นอกทางไปใหญ่เอาหนานอินขึ้นไปด้วยพี่ชายันแล้วก็ชัดยิง่งจะคุมไทยขบวนเองผมว่ายายน้อยนะ่ะเร่งเวลาเราโดยตรงเลยละครับพี่ใหญ่ ตกลงผมจะขึ้นไปดูไว้เองระหว่างนี้เราจะติดต่อกันโดยทางวิทยุถ้าจําเป็นนะครับกล่าจบอนุชาวราริศก็พยักหน้าชวนนานอินเร่งเดินตามติดขึ้นไปทันทีโดยปล่อยเชษฐา้ชาชัยันและขยินไว้ท้ายขบวนชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วผ่านกลางแสงแดดอันแผดเปรี้ยงดารินยังคงรักษาฝีเท้าอันสม่ำเสมออยู่เช่นนั้น และคงนำไปเบื้องหน้าด้วยสัญชาตญาณเชื่อมั่นอะไรบางชนิดซึ่งไม่มีการผิดทิศทางเลยหลอนสังเกตร่องรอยไปทุกระยะพี่ชายกลางกะหนานอินสะกดมาทางเบื้องหลังเว้นระยะ30เมตรโดยทิ้งช่วงลูกหาบตรงกลางไวห่างลิบนายชดนายหญิงน่ะเดินเร็วและแข็งแรงจริงๆ ท, งทั้งที่ทิ้งการเดินป่าไปตั้งปีกว่าแล้ว นั้นอินเอ่ยขึ้นตาจับมองไปยังร่างของหญิงสาวที่นำอยู่เบื้องหน้าอย่างห้าวหารหรือจะเรียกว่าบ้าบินก็ได้โดยไม่สะทกสะเทือนวันไหวกับอะไรทั้งสิน้นซ้ำยังดูลักษณะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกบพรานอาชีพคนเรานั้มันอยู่ที่แรงใจอยู่ที่พลังจิตอย่าว่าแต่พวกเราจะมาเป็นเพื่อนด้วยอย่างนี้เลยต่อให้คนเดียวฉันก็แน่ใจที่สุดนะ ว่านายหญิงของนานอินจะต้องบุกบันติดตามระพินจนพบหรือไม่ก็จนกว่าเขาจะตายนั่นแหละนายหญิงน่ะเป็นแฟนกับ น, นายระพินเนอะนายนานอินถามซื่อๆอนุชาถอนใจนิดนึงตอบตรงๆเหมือนกันเออเขารักกันมากอะ่ะก็แล้วทำไมถึงไม่แต่งงานอยู่กินกันซะ น้านอินเห็นนายหญิงกลับบังกอกส่วนนายรพินก็ยังทํางานเหมือนเดิมอยู่ที่หนองน้าแห้งไม่เห็นอยู่ด้วยกันเลยตั้งแต่กลับมาจากเทือกพระศิวะแล้วอดีตชดประชากรยักษ์ไพรโคลงหัวอยู่ดิกดกนิ่งไปครู่ก็บอกว่าข้อนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละที่แรกฉันก็ไม่คิดนะว่าเขาจะรักกันถึงเพียงนี้ แต่ที่เราทั้งหมดออกติดตามระพิน์มาเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะนายหญิงก็เป็นแฟนกับนายระพินอย่างเดียวเท่านั้นหรอกลูกไอ้พวกเราเนราก็ไปตามเพื่อนตายของเราต่างหากนั่นก็เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะจริงจริงนายชดนายระพินน่ะเป็นคนดีมากใครๆก็รักถ้านานอินรู้ซั ก, ก่อนนานอินก็ต้องออกตามเหมือนกันใครจะปล่อยให้แกไปอย่างไม่รู้เป็นรู้ตายอย่างนั้นได้จริงไหม จากหน้าขบวนและท้ายขบวนที่คุมหลังเริ่มใช้วิทยุติดต่อกันแล้วเพราะระยะเดินอยู่ในแนวที่ห่างกันจนบางขณะก็เกือบจะมองไม่เห็นเมื่อเริ่มเข้าหุบเขาและป่าเริ่มทึบมีแต่อนุชาเชษฐาและชัยันเท่านั้นที่พูดซักถามโต้อตอบกันแต่ดารินผู้ยังคงรักษาระดับเดินนาอยู่เบื้องหน้าโดยไม่ยอมให้ใครตามทันเลย ไม่ได้ใช้วิทยุพูดกับใครเลยแม้จะถูกเรียกหลอนก็ไม่ตอบชุดที่ตามมาเป็นทิวเบื้องหลังไม่มีใครทันสังเกตรหรือรู้ความในว่าเหตุใดมอมราชวงศ์สาวคนสวยจึงสามารถเดินดิง่งตัดทางได้อย่างแม่นยำเช่นนั้นหลอนไม่มีการลังเลเลยไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปตามทางด่านที่ห็นตัดแยกอยู่มากมายเหล่านั้น ขณะที่เริ่มไต่ขึ้นไหลเขาทั้งอนุชาและนานอินที่เฝ้าจับมองทางเบื้องหลังหล่อนอยู่ตลอดเวลาต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าดารินเลือกเส้นทางเดินที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ลัดที่สุดถ้าหากว่าจะบ่ายหน้าไปซับบอดก็ทำไมหล่อนจึงจะเลือกทิศทางเดินไม่ถูกเล่าในเมื่อนับตั้งแต่ผ่านหุบและเริ่มไต่ขึ้นเขามานั้นมีอะไรชนิดหนึ่ง เปรียบเหมือนเรือนําร่อ ง, รองหรือมักคุเทศนําทางอีกทีหนึ่งเดินนําให้เห็นอยู่เบื้องหน้าดาริงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเพราะล้าหน้าไปมากกว่าเพื่อนส่วนคนอื่นๆนั้นมีเหลี่ยมมุมของป่าใหญ่ใบพฤกษาบังมุมอยู่บางครั้งมันก็ลับหายไปในเงาทึบของแมกไม้พอรู้สึกว่าหลอนจะลังเล e มองไม่เห็นและตัดสินใจไม่ถูกมันก็พลูออกมาให้เห็นอีก เป็นระยะระยะไปไอ้ด้วนพยาคตจสารผู้มีขาหลังด้านขวาขยากยังเดินไม่ถนัดนะักนั่นเองจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงก็ตามบัดนี้มันนำให้หลอนสังเกตอยู่ในระยะห่างๆ ห, หนทางบัดนี้ไต่ขึ้นสู่สันเขาของด่านช้างเก่าๆแล้ว อนุชาพยายามใช้วิทยุเรียกน้องสาวผู้นำรุ่ไปเบื้องหน้าชนิดที่บางขนาก็เห็นหลังลิบลิและบางขนาก็ลับหายไปเฉยเฉยหล่อนไม่ตอบมาซะดือ้อย่างงั้นแหละในที่สุดพี่ชายกับครูพรานเท่าก็ต้องเร่งฝีเท้ากันอย่างเต็มที่แล้วก็ไปตามทันกันริมโรกบริเวณหนึ่งตามเส้นทางของด่านช้างนั้นโดยทิ้งขบวนหลังให้ตามหลังมาร่วม ห่างร่วมกิโลเมตรและเพียงแค่อนุชากนันอินกระชันชิดเข้ามาเท่านั้นไอ้ด้วนผู้เดินนำให้หญิงสาวเห็นอยู่วับวักแ ว, วมแว ม, วมตลอดเวลาก็เริ่มหายไปทันทีโดยไม่เพวิแววอะไรให้สังเกตเห็นอีกล่อนเองก็ไม่เอ่ยถึงให้พี่ชายหรือนนานอินทราบว่าได้เห็นอะไรในลักษณะแปลกๆร่างกายของดารินในขณะ น, นี้ชุ่มเหงื่อราวกับเอาน้ารด แต่เรี่ยวแรงไม่ยอมลดถอยคงเดินรุดไปเบื้องหน้าราวกับมีพลังงานพิเศษช่วยอยู่เช่นนั้นนอกจาก น, านั้นนานก็ใช้แขนเสื้อป้ายเงือที่เกาะราวอยู่บนใบหน้าสักครั้งไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นไม่ยอมตอบคำถามแม้แต่พี่ชายกะ น, นันอินจะถามว่าหล่อนมีความแน่ใจยังไงจึงกล้าออกเดินนําลิ้วรุดหน้ามาโดยไม่ยอมปรึกษาหารือใครเลยเช่นนี้ ซึ่งมันอาจจะผิดเส้นทางได้สัตว์บางชนิดประเภทเก้งกวางผิงตัดหน้าให้เห็นอยู่สองสามครั้งหล่อนมองมันอย่างสิงประดับป่านั้นอินนั้นสัญชาตยานพรานทำให้ขยับปืนหลายครั้งแต่ดาริงใช้แขนปัดปากกระบอกปืนไรเฟิลของพรานเท่าขึ้นสูงสักลูกเราจะไม่ฆ่าอะไรโดยไม่จำเป็นทั้งสิ้นในการมาคราวนี้ นั่นเป็นประโยคแรกที่หล่อนเอ่ยขึ้นเรียบๆนับตั้งแต่อนุชาและนานอินกูดเข้ามาเดินประกบทันสเสบียงกลางของเรายังสมบูรณน์นะลูกเอาไว้ถึงคราวจําเป็นซะก่อนค่อยขอจากเจ้าป่าเพื่อประทังชีพคราวก่อนนี้เนี่ยฉันทําบาปไว้มากยิงสัตว์ป่าทุกชนิดล้มตายฉันับไม่ถ้วนเพราะเพียงแค่ ค, ความสนุกขนองมือเท่านั้นก็เคราะหกรรมอันนี้แหละ ที่ทําให้ต้องมาทุกข์ยากพรัดพรากจากคนที่รักและต้องออกติดตามเขาครั้งนี้เชื่อว่าก่อนที่จะพบเขาหรือก่อนที่ตัวฉันเองจะตายคงจะต้องสุมซานเลือดตาแทบกระเด็นทีเดียวประโยคหลังดารินพูดเหมือนจะพูดกับตนเองสมน้ำหน้ากอนกลับจากเทือกพระศิวะมาถึงเมืองแล้วคราวนั้นหมแต่เอาชั้นเอาเชิงรักษาเหลี่ยมกันอยู่ ถ้าพี่เป็นเธอนะพี่ลากตัวเข้าไปด้วยไม่ว่าตัวเองจะไปไหนไม่ปล่อยทิ้งไว้เป็นอยู่ที่หนองน้ำแห้งนั่นหรหรือมิฉะนั้นตัวเราเองมันแหละควรจะละทิ้งความสุขสมบูรณ์อื่นๆในเมืองซะแล้วก็มาคอยเฝ้าก็ที่นี่เรื่องแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดขึ้นไงพี่ชายกลางผู้มินิตใสพูดอะไรผงผางตรงไปตรงมาพูดออกมาใช่ค่ะเป็นความผิดของน้อยเอง ที่มัวแต่เกรงใจพี่ใหญ่กับพี่กลางอยู่ดารินตอบเสียงแหบพร่าอนุชาขมวดคิ้วทำไมเเห็นพี่สองคนเป็นก้างขวางคอหรือว่าคอยกีดกันอะไรอย่างนั้นเหรถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมล่ะคะพี่ดารินก็พูดตรงๆอย่างเปิดใจเหมือนกัน้นอยรู้ ว่าทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางน่ารักประพิงอย่างเพื่อนแต่โดยแก่นแท้ที่ซ่อนลึกถ้าทั้งสองคนยอมรับความจริงกันอย่างลูกผู้ชายก็ต้องยอมรับว่ายังถือศักดิ์สกุลเป็นเรื่องสําคัญอยู่ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายหลายอย่างแสดงออกว่าจะไม่ยอมรับเขาอย่างเคยโดยกําหนดขีดขั้นเข้าไว้อีกชั้ น, นมาเดี๋ยวนี้ต่างหากละ่ะไม่เห็นว่าน้องสาวตัวเองจะเป็นจะต ถ้าขาดเขาผู้นั้นจึงเริ่มคิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนความรู้สึกแต่ดารินหัวเราะอย่างขมขื่นมันก็ดูเหมือนจะสายไปใช่แล้วล่ะนี่ให้ตายเถอะฉันนะ่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าฉันกับพี่ใหญ่ไปทำอะไรให้เธอเข้าใจอย่างนั้นพี่ชายกลางชักยั่วตะโกนลั่นออกมา ขณะนั้นหนานอินไปเดินนำอยู่เบื้องหน้าแล้วจะพูดหรอคะพี่กลางเออพูดมาดิก็กลับจากป่าเข้ากรุงเทพน้อยจะขออยู่ในกรุงเทพก่อนสักระยะหนึ่งพี่ใหญ่กับพี่กลางก็บังคับให้น้อยเดินทางไปต่างประเทศพร้อมด้วยในทันทีจะขออยู่ยังไงก็ไม่ยอมน้อยมารู้คราวหลังว่าพอเราบินไปได้วันเดียวเท่านั้น ระพินก็ขึ้นไปหาเราที่บ้านเขาผิดหวังพวกเราน่ไปทุกคนไปทัวร์รอบโลกกันซะละจริงไหมข้อนี้อมอมราชวงศ์อนุชาหรือพรนชดถอดหมวกออกเกาหัวแกรกแ ก, กเอานั่ น, น่ะมันเป็นความบังเอิญต่างหากแล่าระพินบอกเราล่วงหน้าเลยว่าเขาจะขึ้นไปหาเราครั้งแรกที่กลับมาถึงไม่ใหม่ ก็ชวนแล้วไว้ไปกรุงเทพแต่เขาก็ยังไม่ไปแล้วจู่ๆก็โผล่ไปโดยไม่บอกกล่าวมันก็ไม่พบปะดีแล้วฉันหรืพี่ใหญ่ก็ไม่คิดว่ารพิงจะมามัวคิดน้อยใจอะไรเรืออ่องนั้นอยู่นอกจากเธอจะคิดเองเท่านั้นแหละเพราะตอนนี้น่ะมันความรักความห่วงหาความวิตกกังวลมันทาให้เธอหน้ามืดตา ม, มัวไปหมดแล้วเธอเคยบอกมา ก, ก่อนนะว่าเธอรักรพิง ฉันกับพี่ใหญ่เคยถามเธอตรงๆตั้งหลายครั้งเธอก็บอกเลี่ยงไปเลี่ยงมาเพียงแต่ว่าเธอชอบในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาไอ้เรื่องความเป็นสุภาพบุรุษของเขานะ่ะไม่ว่าใครก็ชอบตรงนั้นแหละแต่ใครจะไปคิดอ่ะว่าถ้าขาดรพินเป็นสักคนเดียวในโลกหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริตจะดำรงชีพอยู่ต่อไปไม่ได้ดารินก้มหน้าซ่อนน้ําตาแล้วเดินหนี พี่ชายสงสารชักรู้สึกว่าตัวเองพูดแรงไปจึงสาวเท้าตามไปกอดไว้เอออย่าคิดอะไรมากเลยน้อยถือซะว่าเป็นเคราะห์กันแล้วกันพี่สองคนก็มาเสี่ยงตายร่วมกับเธออยู่ที่นี่แล้วขอโทษนะถ้าหากว่าพี่ทั้งสองได้พูดหรือได้ทําอะไรลงไปอันเป็นต้นเหตุให้เธอต้องพลัดพรกากกระพินในครั้งนี้ แต่สาบานว่าไม่ได้เจตนาจะกีดกันหรือรังเกียจเขาหรอกถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่อนุญาตให้น้อยมาเยี่ยมเขาตามลาําพังเมื่อตอนที่เรากลับมาถึงเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนี่พี่ไม่สบายใจเลยนะน้อยเนี่ยเรามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันสให้กระจ่างดีกว่านี่ถ้าพี่ใหญ่เขารู้เขาก็คงไม่สบายใจเหมือนกันแหละค่ะพี่กลางน้อยก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วพี่กลางก็อย่าไปบอกพี่ใหญ่นะว่าเราพูดอะไรกันเมื่อตะกี้นี้น้อยก็ไม่ต้องการที่จะให้พี่ใหญ่มาพลอยสะเทือนไปด้วยเราสงคนถึงจะเป็นพี่น้องกันแต่เราก็เหมือนเพื่อนแต่สําหรับพี่ใหญ่นะเปรียบเหมือนพ่ออย่าให้รู้เป็นอันขาดว่าเรามีปากเสียงกันเรื่องอะไรเอาละเอาละพี่เข้าใจแต่น้อยก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะดารินพยักหน้าง่าย ขณะนั้นเองเสียงวิทยุจากเชิดาก็ดังขึ้นจากเครื่องอนุชากางขณะนี้อยู่ไหนนี่มองไม่เห็นหลังเลยพี่ขึ้นมาเดินอยู่หน้าลูกหาบแล้วน ะ, ะตรงเรื่อยมาตามด่านช้างสายนี้แหละครับยึดสายใหญ่ที่อยู่ทางซ้ายมือไว้เรื่อยๆนะครับพี่ใหญ่อย่าแยกไปทางอื่นจ่าตามทันน้อยอย่งอัง เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยเกือบสองชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับทันแล้วครับกําลังเดินอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับอนุชา ต, ตอบและส่งวิทยุของตนไปให้บอกว่านี่ตอบพี่ใหญ่เขาหน่อยสิเราเน่ก็เอาแต่เดินรุดหน้ามาคนเดียวไม่ยอมพูดยอมจากับใครเลยดารินถอนใจนิดนึงแล้วพูดวิทยุ ต, ตอบกลับไป น้อยพูดค่ะพี่ใหญ่ทางด้านพี่ใหญ่กับลูกหาบทำเวลาได้แล้วนะคะใจะเย็นๆก็กำลังจะส t ร e t สปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นไงบ้างอะเราเหนื่อยมากไหมอย่าหักโหมไม่มากนักนะเราจะต้องเดินทางอีกไกล ย, ยังไม่รู้อนาคตหรือจุดหมายปลายทางที่แน่นอนไม่ต้องเร่งรีบเกินไปนะกรบอ สำคัญว่แม่นยำต่อทิศทางและก็ร่องรอยที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้นแหละพี่ใหญ่ครับน้อยน่ะเดินเหมือนคนที่มีวิญญาณของระพินหรือไม่ฉะนั้นก็แง้ายเข้าสิงยอย่าล่ะผู้ตอบมาในคราวนี้คืออนุชาในกลางแน่ใจไหมว่าในช่วงนี้เราเดินทับรอยของระพินไปเสียงชา ย, ยันแทรกมาแน่ใจที่สุด เส้นทางเดียวกันเลยซองบุหรี่เปล่าที่พวกนั้นขยำทิ้งไว้กระดาษเคมีสำหรับเช็ดหน้าของพวกผู้หญิงที่ให้เห็นเป็นหลักฐานชัดใช่ละทลาพังระพินคนเดียวคงจะตามยากหน่อยใครเสือนั่นน่ะไม่เคยทิ้งหลักฐานอะไรให้พบได้แต่พวกฝรั่งันเป็นนายจ้างทิ้งร่องรอยไว้แยะทีเดียวตามราษาของคนที่ยังไม่ชํานาญการเดินป่านะแล้วก็ไม่เฉลียวคิดว่าจะมีใครแกะรอยตาม พรานชดส่งข่าวให้พวกที่ตามมาด้านหลังทราบเชษฐาก็สั่งการทันทีอ่ะแต่เช่นนั้นก็ให้แกะรอยเข้า ห, าหาจุดพักครั้งแรกของพวกเขาก่อนนะจุดที่หยุดกินอาหารกลางวันกันนะ่ะเพราะถึงยังไงก็คงจะไม่เดินตะบึงรวดโดยไม่กินอาหารอะไรหรอกครับผมกันันยินก็กำลังค้นหาอยู่เชื่อว่าคงไม่ยากนักแล้วครับพี่ใหญ่